อ่าจริงจริงอ้าวเกิดการท่ารการคือจิตใจที่ฟังที่น้อยนะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยรด้วยวิชาแปและจาสิบหยนบ ใครใครใครรู้เยางเจราสิบห้ า, ามีอะไรบ้างนก็ไปค้นควว้าดูนะคนะก็มีอินทรีย์ศีลสัมรียะไรนะคดูากันะค ะ, นน ะ, คะแล้วก็สง ส, สัยคว่าสุะขะโมเนี่ยมว่าอะไรไม่เป็คนคืออย่า ง, ง, ง, น, งนี้จาราสิบห้าก็หนึงหนึ่งศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีล 2. อ, อินเตอริยียสังวรคือการปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจสโพชเนมัตัญยุตาความรู้จักประมาณในการกินอาหาร 4. ชาคาิยานุโยกก็หมายความว่าประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่น 5. ก็สัทธาคือความเชื่อ ห, หิฮรีความละอายต่อแก่ใจ 7. โอตปากความกลัวต่อบาปโอตปากนี่เนะ แล้ว8พหูสัจจะความเป็นผู้ฟังมากฟังมา ก, มากศึกษามาก9วิรวิยะความเพียร10ก็คือสติความระลึกได้แล้วก็11ก็ปัญญาความรู้แล้วก็ปฐมฌาน12ทุทาา 13, ตทิยฌานาิบสตัติยฌาน14จสีจตุธาฌาน15บพอดีนั้นสรบก็คือว่าจารณะเนี่ยเป็นกลุ่มของศีล เป็นกลุ่มของศีลกับกลุ่มของสมาธินะส่วนวิชาแดอันนั้นไม่ยากแล้วปุบอในเรื่องของอิทธิวิธีเป็นต้นไล่ไปตามลำดับจนถึงปุปเพนิวา ส, า, สารนุตยานจุตูปปาตยานแล้วก็จบลงที่อาสวัจ า, า, า, าก็คือวิชาสามมาขยายเป็นวิชาแดทีนี้สรุปแล้วก็คือคำว่าวจารณาสิบหาเนี่ยย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญ ญ, ญาอันเดียวกัน จะย่อจะขยายอย่างก็คือวิสุทธิเจตสีระวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏวิสุทธิกังขาวิจนาวิสุทธิปฏิปทาญาณะมคามคาญาณัทสนวิสุทธิปฏิปทาญาณนแล้วก็ญาณทัทสนวิสุทธิก็คือวิสุทธิเจใช่ไหมหรือว่าอย่างก็คืออริยมรรคภูมิองค์8ใช่ไหมจะขยายยังไงย่อยังไงก็ได้แต่สรุปก็คือนั่นแหละเขาเรียกว่าจารณะถึงพร้อมด้วยวิชาวิชาก็หมายถึงกลุ่มปัญญา จารณะก็คือข้อประพฤติก็อยู่ในศีลกับสมาธิกลุ่มนี้เนี่ยพ่อจะมองเห็นหรือยังเอายมว่าจะถามเลยโอ้พ่อจะหมดเวลายอมถามกันดียัง